ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการที่คุยธรรมะกันท่านผู้ฟังในการคุยธรรมะนี้ก็ ปัญหาที่ไม่น่าพอใจในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่มากระทบคนอื่นทําอย่างนั้นอย่างนี้ในพวกนี้ปัญหาชีวิตพวกนี้ แล้วเปลี่ยนใจคนอื่นให้มันดีขึ้นได้เดี๋ยวๆเดี๋ยวคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องตัวกระแสตัวฟังนะถ้าเรายังอยากให้คนอื่นนั้นเปลี่ยนตามที่เราต้องการคนนี้เปลี่ยนที่เราต้องการอันนี้คือความอยากอันนี้ไม่ใช่ ทีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราจะค่อยเปลี่ยนได้อันนี้เรายกไว้ก่อนนะพระเจ้ายกตัวในสมัย มีเป็นชนชั้นที่ไม่ได้มีอาชีพอย่างอื่นชั้นที่เขาแสดงกายกรรมกันนะเป็นชนชั้น นะถือใบก็ไม่ใช่นี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่พุทธเจ้ายกขึ้นเพื่อต้องการเปรียบเทียบ 2 คนนี้ เอ่อเอาไม้ไผ่ตั้งขึ้นละน่ะตั้งไว้ที่อกๆขึ้นไปขึ้นไปน่ะถือถันน้ํามันแล้วขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปทรงตัวอยู่ข้างบน เราก็จะได้เล่นกายกรรมนี้ด้วยแล้วแล้วเราก็จะได้เงินด้วยจะได้เล่นกิจกรรมนี้ด้วยแหมมันน่าแปลกพิสดารแล้วเราก็จะ ดูแลให้มันทรงตัวอยู่ได้ดูแลให้มันทรงตัวอยู่ได้นะเพื่อๆแล้ว นะเราดูตัวเองดูแลรักษาตัวเองก็ชื่อว่าคน ก็ไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางตัวเองหรอกเขา แล้วมันคืออย่างเดียวกันนะผู้ฟังแม้คนเล่นกายกรรม บอกว่าผมจะดูแลตัวผมน่ะจะไม่สนใจใครล่ะจะไม่ได้สนใจคนที่อยู่ข้างล่างดูแลเถอะ เค้าก็พูดถูกของเค้าอีกๆแล้วเนี่ยมันคืออย่างเดียวกันนะเพราะอะไรนะเพราะ เพราะคนที่มีธรรมะเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้ร้ายด่าว่าว่าทอฆ่าสัตว์ทนน่ะ นะอดทนสวนกลับไปนะชื่อว่าเรารักษาตัวเองด้วยเวลาคนเค้าทําอะไรไม่ดีกับ ในครั้งที่เราไม่เบียดเบียนด้วยความมีเมตตาจิตด้วยความรักพระอินทุเนี่ยจิตของเราจะไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลและทําให้เราเป็นการรักษา เด็กมันดีมันมันไม่ดีมันดื้อมันซนฉันด่าด่าๆๆด่าด่าเสร็จแล้วคิดจริงๆก็ชื่อว่าไม่รักษาตนนะเพราะว่าตัวเองก็ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะรักษา 2 อย่างนี้ รักษาผู้อื่นก็ชื่อรักษาตนเหมือนนักแสงกายกรรมคนหนึ่งตั้งใจว่าจะ <at> <S forth> <Hello também> นะมันเพราะมันคืออย่างเดียวกันนะเราอย 2 อย่างอย่างเนี้ยได้นะไม่ว่าจะเป็นการเสพธรรมะเจริญธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะนะนี่คือเพื่อที่ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเหมือนถ้ามีฝังทําเลยนั่งนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงคอตรงนะคู่ขา รู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันมีอยู่นะไอ้ความรู้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าสติ ปริวัตตธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะละนะนั่นก็ได้ด้วยกันก็ชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยแล้ว เอาง่ายๆแค่เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติชอบวิ่งค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเรารักษาผู้อื่น ให้คลายความเบียดเบียนให้คลายความเอ่อไม่พอใจในการเจริญสตินั่นเองนะเรามาเจริญสติแล้วก็ซื่อว่าเป็นการที่ลดทั้ง 2 อย่างนั่นแหละลดสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตัวเองลดสิ่งที่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นเหมือนกันใน 106 ก็ได้ หรือว่าจะเขียนจด